เราพบกันในช่วงเวลาดีๆที่ FM 89.5 MHz เมกะเฮิรตสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคุณผู้ฟังครับตั้งแต่กันยายน2 5 5 8จนถึงปีนี้นะครับก็เป็นเวลาเกือบ4ปีแล้วที่รายการมรดกไทยได้อยู่คู่กับคุณผู้ฟังนำเสนอสาระเสียงเพลง เรื่องราวต่างๆทุกสัปดาห์นะครับดังนั้นคุณผู้ฟังที่สนใจรับฟังรายการนี้ก็สามารถฟังสดได้ผ่านทางคลื่น FM หรือบางท่านอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถฟังผ่านเว็บไซต์ก็พิมพ์ไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าวิทยุราชมงคล 89.5 MHz พอคลิกเข้าไปนะครับแล้วกดเข้าไปก็จะได้ฟังรายการสด หรือบางท่านจะฟังย้อนหลังผ่าน Facebook ของ FM 89.5 MHz ก็ได้นะครับไม่ว่าจะฟังช่องทางไหนสิ่งหนึ่งที่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งก็คือคุณฟังจะได้รับทั้งสาระความรู้แล้วก็ความสุขสำหรับวันนี้มีเรื่องราวของการบันทึกนะครับทั้ง4ี่ช่วงพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจเริ่มจากมรดกเพลงไทยวันนี้นำเสนอเพลง Diary สีแดง เพลงที่น่าสนใจมีวิธีการเขียนเนื้อเพลงการพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่บันทึกเรื่องราวของความรักผ่านไดอารี่คุณผู้ฟังครับการบันทึกเรื่องราวผ่านไดอารี่ในสมัยก่อนย้อนกลับไปเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเราไม่มีช่องทางในโลกโซเชียลมากเหมือนในยุคปัจจุบันนะครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวผ่าน a c e b o o k ผ่าน Instagram หรือผ่าน ช่องทางอื่นๆเราก็อาศัยไดอารี่เป็นที่บันทึกแล้วก็เป็นเพื่อนที่จะเล่าสิ่งต่างๆให้ฟังวันนี้เพลงนี้น่าสนใจมากนะครับช่วงที่2มรดกวิถีไทยเมื่อในยุค30ปีที่แล้วคนยังนิยมเขียนไดอารี่แต่ถ้าย้อนกลับไป100ปี200ปีสมัยก่อนก็มีการบันทึกเรื่องราวเหมือนกันครับแต่เป็นการเขียนเรื่องราวบันทึกผ่านสมุดคอย สมุดคอยนหนังสือโบราณที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะครับจากสมุดคอยก็มาถึงมรดกภูมิปัญญาไทยวันนี้ผมจะขยายความประโยชน์และคุณค่าของต้นคอยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบและช่วงที่สี่มรดกทางภาษาก็เป็นภาพยนตร์เป็นละครวิทยุแล้วก็เคยเป็นหนังสือด้วยนะครับสาหรับเรื่องราวของบันทึกรักของพิมชวี วันนี้คุณผู้ฟังได้เต็มอิ่มกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกและเพลงที่นํามาเปิดในแต่ละช่วงก็เป็นเพลงที่พูดถึงของการบันทึกการจดและอื่นๆที่น่าสนใจมากมายและนี่คือเนื้อหาสาระสําคัญที่จะเกิดขึ้นเกือบ1ชั่วโมงเต็มในรายการมรดกไทยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวพักแป๊บเดียวนะครับแล้วกลับมาพบทั้ง4ช่วงของรายการมรดกไทยครับ FM 89.5 m ม z สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมาถึงในช่วงมอดดกเพลงไทยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับเพลง d ดอ r รี่สีแดงเป็นเพลงที่มีความน่าสนใจ แล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แนะนำตัวคุณแหวนอัลบั้มชุดนี้จากอัลบัม้มฉันเป็นฉันเองนะครับก็วางขายในปี2527นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็มากกว่า30ปีแล้วสาหรับอัลบั้มชุดนี้ก็เป็นอัลบั้มที่ทำให้คนรู้จักคุณแหวนติติมาสุตะสุนทรมากยิ่งขึ้นต่อจากนั้นคุณแหวนก็จะโด่งดังสุดขีดในปี2529กับเพลง เรามีเรานะครับเรียกว่าปัจจุบันนี้ก็คนก็จะรู้จักเพลงนี้ทีเดียวเพราะว่าเพลงเรามีเราเป็นเพลงที่มีความหมายดีอบอุ่นแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งรายการมรดกไทยนะครับก็เคยพูดถึงเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบรวมทั้งประวัติและก็เรื่องราวของคุณแหวนเมื่อสัก 5-6 เดือนที่ผ่านมานะครับเพลงนี้เรียกว่าเป็นเพลงที่มีความน่าสนใจ แล้วก็ข้อสำคัญคุณแหวนเคยเขียนไว้ว่าจากเพลงไดอารี่สีแดงจนถึงเพลงอื่นๆแล้วก็มีเพลงเรามีเรานี่แหละที่ทำให้คนนึกถึงคุณแหวนมาตลอดไม่ว่าจะเวลาผ่านไปเท่าไหร่สำหรับเพลงไดอารี่สีแดงมีเนื้อหาที่น่าสนใจที่ถามว่าทำไมน่าสนใจเพราะว่าในยุคก่นกอนๆนั้นเรามักจะบันทึกเรื่องราวความรู้สึกผ่านสมุดที่เรียกว่าไดอารี่ ถ้าใครจะจบมัธยมหรือลาจากเพื่อนเราก็จะมีสมุดแฟนชิพใช่ไหมครับให้เขียนความรู้สึกถึงเพื่อนในปัจจุบันนี้พฤติกรรมของคนทั่วไปก็อาจจะไม่ค่อยได้เขียนในไดอารี่แล้วแต่ว่าจะมีการบันทึกทั้งภาพแล้วก็ข้อความผ่าน Facebook หรือว่าเขียนไว้ในอีเมลก็ได้แต่นี่ถือว่าเป็นการบันทึกเรื่องราวของคนในปี2527 หรือในอดีตนะครับเรื่องของการบันทึกสิ่งต่างๆสำหรับเพลงไดอ r รี่สีแดงก็พูดถึงความรักที่ไม่สมหวังและเมื่อวันหนึ่งย้อนเวลากลับมาก็เป็นการย้ำเตือนความทรงจำนะครับในเนื้อเพลงบอกว่าครั้งนั้นฉันมีเธอแม้ว่าเธอนั้นเคยจะเอ่ยปากฝากคำรักไว้หัวใจไม่อยากรับฟังฉันไม่คิดจริงจังแต่ฉันก็ยังรับความในใจ จดเป็นบันทึกรักไว้ในไดอารี่สีแดงนี่เป็นจุดเริ่มต้นของความรักนั้นเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็พูดต่ออยนิดว่าแล้วรักนั้นก็กลายแตกสลายแล้วลอยผ่านไปไกลต่างคนต่างลืมความหลังในใจไดอารี่เล่มแดงกลับนายแนงไม่เคยใส่ใจจำข้อความที่เธอเขียนไว้ข้างในเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อคุณผู้ฟังต้องฟังเพลงนี้นะครับ เพลงนี้มีความน่าสนใจตรงที่มีการเขียนเนื้อเพลงที่แตกต่างจากเพลงไทยทั่วไปเรียกว่าใช้ไดอารี่เป็นสิ่งที่ชูประเด็นให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่จะบันทึกเรื่องราวของความรักนะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้ทั้งผมและคุณผู้ฟังเรามาฟังเพลงที่มีเนื้อหาแล้วก็ความไพเราะเพลงนี้คือเพลงไดอารี่สีแดงจากคุณแหวนทิติมาสุ ต, ตะสุนทรขอเชิญรับฟังครับ ใจจด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 s u i t FM 8975วิทยุราชมงคลทัญญาุรีรับฟังออนไลน์ได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th โทร02 691 773 88 คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับผมไหมว่าบางทีการได้ฟังเพลงเก่าๆแล้วก็ย้อนไปสักนิดหนึ่งบางทีก็ทําให้เรานึกถึงอดีตเรื่องราวในอดีตทั้งดีทั้งที่ประทับใจไม่ประทับใจก็ผุดขึ้นมาในความทรงจำนะครับและไดอารี่ก็เป็นตัวที่ยืนยันความทรงจำผมเองกาลังจะนึกอยู่ว่าไดอารี่ที่ตัวเองเคยเขียนไว้บ้างสมุดเฟรนด์ชิพที่ ให้เพื่อนเซ็นนั้นอยู่ที่ไหนผ่านมานานมากนะครับก็อาจจะจาไม่ได้ก็ถ้าอะไรที่จาไม่ได้ก็อาจจะบันทึกไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็เลยเรื่องราวต่างๆเป็นมุมมองเรื่องอื่นๆก็บันทึกผ่านไว้ใน Facebook บางทีก็ไม่ค่อยได้เผยแพร่เท่าไหร่นะครับมาพูดถึงารายการมรดกไทยเองนะครับก็พยายามจะสรรหาสิ่งที่ น่าสนใจในแต่ละสัปดาห์ก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกันอย่างสัปดาห์นี้นะครับพูดถึงเรื่องราวของการบันทึกเริ่มจากเพลง d i a ารีสีแดงคราวนี้จากเพลง d ด a r รี่สีแดงก็ทำให้ผมนึกแล้วก็มีคำถามขึ้นในใจว่าแล้วคนในสมัยก่อนเขามีการจดบันทึกไว้อย่างไรโดยเฉพาะทย้อนไปสัก100ปีหรือเกือบ200ปีเนี่ย ผมก็ไปนึกถึงสมุดข่อยนะครับวันนี้ในช่วงมรดกวิถีไทยก็จะนำเสนอเรื่องราวของสมุดไทยซึ่งก็คือสมุดข่อยนะครับคุณผู้ฟังครับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2525 25, ได้ให้นิยามของคำว่าสมุดไทยไว้ว่าสมุดไทยเป็นคำนามหมายถึงสมุดที่ทำด้วยกระดาษข่อยแล้วก็พับเป็นชั้นๆนะครับ บางทีก็เรียกว่าสมุดดำนะครับบางทีก็เรียกว่าสมุดข่อยซึ่งก็เป็นหนังสือโบราณที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาแล้วก็ความสามารถของบรรพบุรุษไทยโดยการนาเอาวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติก็คือเปลือกของต้นข่อยนะครับแล้วก็มาทาเป็นแผ่นกระดาษตามกรรมวิธีแล้วก็ สามารถที่จะบันทึกเรื่องราวต่างๆลักษณะของเล่มสมุดคอยนะครับก็จะมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวเขาจะไม่เย็บเป็นเล่มแล้วก็เข้าสันปกเหมือนในปัจจุบันที่เราเห็นกันทั่วไปแต่ว่าจะเป็นเล่มสมุดที่ประกอบไปด้วยรูปทรงที่เป็นปึกหนาๆ น, น, น, นะครับ มีด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นก็จะไม่สะดวกกับการขนย้ายส่วนมากก็จะใช้บันทึกเรื่องราวที่สำคัญสคัญนะครับคราวนี้มาดูว่าอุปกรณ์ที่ใช้เขียนบันทึกลงในกระดาษสมุดข่อยก็เป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นปากกาแล้วก็มีปากไก่มีขนนกดินสอแล้วก็น้ำมึก สมุดคอยก็จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่าคุณค่าหลายด้านครับเป็นบันทึกแล้วก็เป็นคุณค่าทางวิชาการของคนไทยที่เราต้องภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจศึกษาค้นคว้าแล้วก็ช่วยกันเก็บรักษาไว้ก็จะเป็นสมบัติของชาติตลอดไปคราวนี้ย้อนกลับมาดูนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟัง คุณจิตภูมิศักดิ์ได้กล่าวถึงความสำคัญของสมุดคอยไว้ในหนังสือภาษาและก็นิรุกติศาสตร์ว่าจริงอยู่สมัยโบราณเมื่อเราใช้กระดาษคอยเราเรียกว่าสมุดไทยหรือถ้าเป็นสีดำเราก็เรียกว่าสมุดดำถ้าเป็นสีขาวเราก็เรียกว่าสมุดขาว แต่ต่อมานะครับก็มีกระดาษฝรั่งนะครับเข้ามาที่เมืองไทยใช้พิมพ์ทําหนังสือเป็นเล่มเรียกว่าพิมพ์ขายขายเป็นสมุดเปล่าๆเนี่ยก็เรียกว่าสมุดฝ ร, รั่งบ้างสมุดพิมพ์บ้างแต่มาภายหลังนะครับสมุดไม่ได้หมายถึงหนังสือที่พิมพ์เป็นเล่มอีกแล้วแต่ก็แยกไปหมายถึงเล่มกระดาษเปล่าๆสําหรับเขียนส่วนที่พิมพ์หนังสือพิมพ์เป็นเล่ม เราเรียกว่าหนังสืออย่างที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับตามหลักฐานตามข้อมูลนะครับเขาพูดว่าการที่เราบันทึกเรื่องราวผ่านสมุดข่อยเนี่ยก็มีการบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ก็มีวรรณคดีตำรายาแล้วก็มีเรื่องของโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องราวทางพุทธศาสนายกตัวอย่างเช่นนะครับคุณผู้ฟังพระอภิธรรม7คัมภีร์นะครับ แล้วก็ศาสตร์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ถูกบันทึกเอาไว้ศาสตร์ทั้งหลายเหล่านี้นะับเป็นข้อมูลทางวิชาการขั้นปฐมภูมิหรือเบื้องต้นนะครับที่สามารถอ้างอิงได้แล้วก็มีการสอบสวนสืบหาข้อเท็จจริงได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังเอกสารเหล่านี้ยังใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบทางด้านภาษาแล้วก็ตัวหนังสือได้อีกด้วยนะครับ สมุดคอยแล้วก็จิตกรรมรวมทั้งศาสตร์ต่างๆที่ปรากฏในสมุดคอยเหล่านี้ก็จะเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงคติความเชื่อสภาพสังคมวิถีชีวิตของไทยแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านอักษรศาสตร์แล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมของชาติซึ่งมีความสำคัญมากดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะถูกเก็บไว้อย่างดีอาจจะเป็นหอสมุดแห่งชาติก็ได้นะครับ คุณผู้ฟังครับคนไทยรู้จักใช้สมุดคอยและก็เครื่องเขียนที่ได้จากธรรมชาติในการบันทึกตำรับตำราต่างๆมานานแล้วดังปรากฏหลักฐานในหนังสือราชนจาจักรสยามของเดอลาลูแบร์หนึ่งในคณะราชทูตฝรั่งซึ่งเข้ามาอย่างราชสำนักอยุธยาตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องสมุดคอยไว้อย่างน่าสนใจนะครับ ลาลูแบร์ได้กล่าวไว้ในบันทึกว่าชาวสยามทำกระดาษจากผ้าฝ้ายเก่าๆแล้วก็ยังทำมาจากเปลือกต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่าต้นข่อยซึ่งต้องนำมาบดย่อยให้ละเอียดอย่างเช่นคล้ายๆบดให้ละเอียดเหมือนผ้าคีริ้วแต่กระดาษเหล่านี้มีความหนาบางไม่เสมอกันทั้งเนื้อกระดาษและก็ความขาวผ่องก็อาจจะไม่ดีมากนัก ฉะนั้นชาวสยามจึงไม่ได้ใช้หมึกจีนสีดำเขียนลงบนกระดาษของพวกเขาส่วนมากมักจะชุบหมึกให้ดำซึ่งทำให้เนื้อกระดาษเนี่ยติดกันแน่นมากขึ้นแล้วก็เขียนด้วยดินสอสอในที่นี้ลาลูบแบร์ได้บอกว่าสอแปละว่าขาวนะครับก็เขียนด้วยดินสอชนิดหนึ่งเป็นดินสอเหนียวปัน้นแล้วก็ตากแดดนะครับ หนังสือของพวกเขาไม่มีการเข้าเล่มแล้วก็เย็บสันหากทําเป็นแผ่นยาวเหเอียดนะครับก็ใช้วิธีม้วนเก็บนะครับที่บรรพบุรุษของคนไทยได้ทํามาหากพับทบไปมานะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากเอกสารหรือหนังสือสมุดของฝรั่งนี่เป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ที่ลาลูแบร์ได้พูดถึงสมุดข่อยนะครับคุณผู้ฟังครับ วิธีการทำกระดาษคอยนั้นน่าสนใจมากก็ขั้นแรกนะครับแบบยน่นยอคือข้อ1ตัดต้นคอยข้อ2มีการหมักเปลือกคอย 3. จําวิธีนึ่งเปลือกคอย 4. การสบคอยหรือการทุบเปลือกของคอยนะครับ 5. กระบวนการของการหล่อกระดาษแล้วก็ข้อ6การลบสมุดข้อ7ก็เป็นการทำเล่มสมุด นอกจากนี้นะครับสมุดคอยเนี่ยอาจจะถูกจําแนกตามประโยชน์การใช้สอยนะครับเช่นอาจจะเป็นสมุดพระอภิธรรมนะครับสมุดชนิดนี้ก็ใช้บันทึกบทสวดอภิธรรม7ค็ดภำพีด้วยการ2 ส, สมุดสวดพะระมลายก็จะเป็นสมุดชนิดนี้ก็เป็นบันทึกบทสวดพะระมลายด้วยตัวอักษรค้อมตัวอักษรภาษาไทยก็มีนะครับแล้วก็ยังมีตัวอย่างเช่นสมุดไตรภูมิซึ่งเป็นสมุดที่ บันทึกเรื่องราวของไตรภูมิประกอบด้วยภาพจิตรกรรมแล้วก็คำบรรยายภาพอันเป็นเรื่องที่มีความนิยมมากเพราะว่าสอนให้คนนั้นทําทดีเกลียดความชั่วไม่เบียดเบียนกันนี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆของสิ่งที่ใช้บันทึกในอดีตก็คือสมุดข่อยนั่นเองคุณนุ่ฟังครับเรื่องราวเหล่านี้น่าสนใจดังนั้นผมจะถามคุณฟังว่าคุณฟังเองปัจจุบันนี้ ยังมีการบันทึกเรื่องราวในชีวิตเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวผ่านสิ่งใดบ้างนอกจากโลกโซเชียลยังมีการจดลงในสมุดบันทึกไดอารี่หรืออื่นๆอีกไหมถ้าทำไว้นะครับสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังต่อไปนะครับหห้าาามมใใจจเเท่่่ไไรัััััวววกยยงงงฟ ทั้งทั้งที่เธอเห็นเราไม่มีความหมายแต่ไม่อาจตัดใจให้ลืมเธอลงเขียนลงกระดาษเขียนลงไปหมดทุกอย่างความลังที่เธอทำช้ำใจ ไว้ตรงประโยคสุดท้ายขีเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่รัก เอาไว้ว่าเธอไม่รัก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 ชััช้้นนจศูย์กาาารคบ่งงซือวิทยุราชมงคลธัญบุรีกับช่วงเวลาแห่งความสุขคุณผู้ฟังครับในช่วงที่แล้วก็พูดถึงเรื่องราวของสมุดคอย จนเพลิดเพลินลืมบอกคุณผู้ฟังว่าข้อมูลนั้นผมก็นำมาจากสองแหล่งด้วยกันนะครับก็ที่ www. w w w บเวบเพือนไทยวิชาการ .com แล้วก็ OK Nation ซึ่งก็ผสมผสานเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเป็นยังไงบ้างครับฟังเรื่องราวของสมุดค่อยแล้วคุณผู้ฟังอยากจะเห็นสมุดจริงๆที่ถูกเก็บบันทึกไว้ก็คงจะต้องไปสืบคนที่ขอสมุดแห่งชาตินะครับ ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หนังสือหายากและสิ่งอื่นๆที่สามารถทําให้เราได้รู้สึกว่าบรรพบุรุษของเรานั้นได้มีการจดบันทึกมีวิวัฒนาการในเรื่องขององค์ความรู้และภูมิปัญญาต่างๆมากมายทีเดียวนะครับเรามาต่อกันในช่วงของมรดกภูมิปัญญาไทยครับคุณผู้ฟังช่วงที่เราพูดถึงสมุดคอยกระดาษที่ทํามาจากต้นคอยนะครับ วันนี้ก็จะมาพูดถึงว่าต้นคอยเองนั้นนอกจากจะเอาส่วนของเปลือกมาทำสมุดแล้วต้นคอยยังมีประโยชน์อีกมากมายดังนั้นคุณผู้ฟังที่เป็นเด็กวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ไม่ทราบว่าพอจะนึกนึกหน้าตาของต้นคอยออกไหมผมเองเนี่ยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเคยเห็นต้นคอยแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ าหายากเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัย Google นะครับเข้าไปดูสารคดีเรื่องราวประวัติตอนนี้ดังนั้นวันนี้จะมาพูดถึงประโยชน์ของต้นข่อยนะครับก่อนอื่นเลยจะแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักต้นข่อยก่อนต้นข่อยมีถิ่นกำเนิดแถวเอเชียตะวันออกเชียงใต้แล้วก็มีที่ประเทศไทยไม้ชนิดนี้จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางมีความสูงประมาณ 5-10 เมตร มาดูที่ลําต้นแล้วก็กิ่งก้านนะครับค่อนข้างจะคดงอมีปุ่มมีปมอยู่รอบๆต้นนะครับจะเป็นภูเป็นพุ่มนะครับเป็นทั่วไปซึ่งอาจจะขึ้นเป็นต้นเดี่ยวๆหรือเป็นกลุ่มก็ได้เปลือกต้นนั้นมีสีเทาอ่อนบางนะครับแล้วก็มีความครุขระเล็กน้อยอาจจะแตกเป็นแผ่นบางๆแล้วก็มียางสีขาวข้นเหนียวนะซึมออกมา ต้นคอยจะมีการแตกกิ่งก้านสาขามากมายนะครับอาจจะเป็นพุ่มทึบๆแล้วก็มักจะนิยมขยายพันธุ์ด้วยการใช้รากในการปักชำเพราะว่ามันจะเจริญเติบโตได้รวดเร็วกว่าการใช้กิ่งปักชำหรือการเพาะเมล็ดนะครับกลุ่มฟังมาดูใบคอยลักษณะเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับมีขนาดเล็กแผ่นใบมีสีเขียวเนื้อใบค่อนข้างหนากรอบ ผิวใบสากคล้ายกระดาษทรายทั้ง2ด้านลักษณะใบนะครับคล้ายๆรูปรีแกรมรูปไข่เนี่ยกลับหัวโคนใบเนี่ยจะสอบเข้ามานะครับสอบก็คือแคบปลายใบแหลมขอบใบเนี่ยจะมีลักษณะหยักแล้วก็มีความกว้างประมาณ 2-3.5 ถึงเซนติเมตรยาวประมาณ 4-7 ถึงเ็ซนติเมตรคราวนี้มาดูดอกของข่อยนะครับ จะออกดอกเป็นช่อสีขาวนะครับขาวเหลืองมีสีเหลืองปนอ่อนๆโดยจะออกที่บริเวณปลายกิ่งตามซอกใบจะเป็นดอกเดียวแล้วก็รวมกันเป็นกระจุกจะมีดอกตัวผู้ดอกตัวเมียเนี่ยก็จะแยกกันอยู่นิดหนึ่งสำหรับผลของข่อยนะครับผลสดจะมีลักษณะกลมสีเขียวผลก็จะคล้ายรูปไข่มีขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตร ถ้าไปดูที่เมล็ดนะครับก็มีขนาดโตเท่ากับเมล็ดพริกไทยมีเนื้อเยื่อหุ้มนะครับส่วนผลที่มันแก่มากจะมีสีเหลืองใสแล้วก็มีรสหวานแล้วก็เป็นที่ชอบของพวกนกนะครับคราวนี้มาดูสปปรรพคุณต้นคอยมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงธาตุในร่างกายโดยเฉพาะบริเวณเปลือกรากของต้นคอยใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ ส่วนะมะเมล็ดสามารถนามารับประทานเป็นยาอายุวัฒนะได้มีประโยชน์มากทีเดียวนะครับและอีกเช่นกันนะครับมเมล็ดถ้ารับประทานก็ไปก็ช่วยให้เราเนี่ยเจริญอาหารส่วนเปลือกเมื่อนำมาต้มกับเกลือก็จะได้เป็นยาอมช่วยแก้ราํามาาตเหงือกบวมได้นะครับสําหรับเปลือกต้นเนี่ยมีสรรพคุณช่วยแก้ฤทธิ์สีดวงที่จมูก ด้วยการใช้เปลือกต้นนี่นำมาม้วนทำเป็นเหมือนกับเป็นยาสูบนะครับกิ่งสดช่วยทำให้เอามาสีฟันเนี่ยทำให้ฟันเนี่ยแข็งแรงทนทานฟันไม่ผุไม่ปวดฟันด้วยการใช้กิ่งสดประมาณ 5-6 นิ้วนำมาหัน่นแล้วก็ต้มใส่เกลือแล้วก็เคี่ยวให้งวดนะครับเหลือน้าแค่ครึ่งเดียวนำมาอมเช้าแล้วก็เย็น ส่วนเมล็ดช่วยค่าเชื้อในช่องปากแล้วก็ทางเดินอาหารได้ด้วยการใช้เมล็ดรับประทานแล้วก็ต้มกับน้ำแล้วก็อมบ้วนปากนอกจากนี้ก็ยังช่วยแก้ไข้ด้วยการใช้เปลือกนํามาต้มกับน้ำแล้วก็รับประทานส่วนเปลือกค่อยมีสปปรรพคุณช่วยดับพิษภายในร่างกายประโยชน์มากมายทีเดียวนะครับถ้า มีการวิจัยต่อยอดไปสร้างเป็นยาทำเป็นเครื่องสำอางสรพพคุณของข่อยช่วยแก้อาการท้องร่วงได้ด้วยก็คือเปลือกของมันนะครับนอกจากนี้ช่วยแก้อาการบิดท้องเสียด้วยการใช้เปลือกนํามาต้มกับน้ําแล้วก็รับประทานส่วนใบนะครับใช้ใบข่อยสดๆนามาปิ้งไฟชงกับน้ําดื่มใช้เป็นยาระบายอ่อนๆนะครับนี่เป็นตัวอย่าง คราวนี้มาดูยางของข่อยนะครับสามารถนํามาใช้กําจัดมแมลงก็ได้สําหรับไม้ของข่อยนํามาใช้ทํากระดาษทําเป็นสมุดไทยหรือสมุดข่อยที่กล่าวไปแล้วนะครับข่อยเขานิยมปลูกเพื่อทำรั้วหรือปลูกไว้ดัดปรับแต่งเป็นรูปต่างๆเรียกว่าไม้ดัดสําหรับต้นข่อยคนไทยโบราณเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นไม้ชนิดนี้ไว้ประจําบ้านคุณผู้ฟังฟังดีๆนะครับ จะช่วยทำให้ผู้อาศัยนั้นเกิดความมั่นคงมีความแข็งแกร่งอดทนได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็ช่วยป้องกันศัตรูจากภายนอกทมให้แคล้วคลาดจากอันตรายที่จะเกิดจากผู้ที่ไม่หวังดีนอกจากนี้ใบข่อยยังสามารถนำมาใช้โบกนะครับเป็นพัดเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย ไปให้พ้นจากบ้านของเราและก็เพื่อความเป็นสิริมงคลจะนิยมปลูกต้นข่อยในวันเสาร์นะครับแล้วก็ปลูกไว้ทางทิศตะวันออกครับคุณผู้ฟังมาดูต่ออีกนิดนะครับนอกจากนี้ข่อยยังเป็นวัสดุที่ใช้ในการสื่อสารที่สำคัญในอดีตที่เรียกว่าสมุดข่อยที่พูดไปแล้วนะครับและนี่คือต้นข่อยต้นไม้ที่อาจจะ เรียกว่าเลือนหายไปจากความทรงจำของคนไตยแต่จริงๆแล้วมีประโยชน์มากมายนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นามาจากเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชแล้วก็มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามากมายทีเดียวนะครับ mm. เช่นเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพก็เป็นข้อมูลดีๆที่น่าสนใจ ข้อสำคัญนะครับต้นไม้ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยถ้ามีการค้นพบมีการวิจัยแปล ร, รูปนะครับไปเป็น เ, เครื่องสำอางนำไปเป็นยานะครับรักษาโรคหรืออื่นๆก็เรียกว่าสามารถที่จะสร้างรายได้ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเราก็คงจะไม่ต้องอาศัยผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศมากมายนะักใช่ไหมครับคุณฝาง s h o t u t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 รับฟังออนไลน์ที่ทาง www.radio.rmutt.ac.th โท02ร 026917738-9 วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 เมกะเฮิร์ตซ์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต คุณผู้ฟังครับจากเรื่องราวการบันทึกเรื่องราวคุณประโยชน์ของข่อยนะครับผมจะพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปถึงเรื่องราวในอดีตเรียกว่าสิ่งที่พูดต่อไปนี้ในช่วงมรดกทางภาษานะครับเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องบันทึกรักของพิมพ์ชวีนอกจากเรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์แล้วเคยเป็นละครวิทยุด้วยนะครับ เดี๋ยวมาฟังกันว่ามีความน่าสนใจอย่างไรเผื่อว่าวันหนึ่งนะครับเรื่องนี้อาจจะนำมาสร้างใหม่ก็ได้นะครับได้ข่าวแววว่าว่าเคยสร้างเป็นละครโทรทัศน์ด้วยมาดูกันเลยนะครับบันทึกรักของพิมพ์ชวีเป็นภาพยนตร์ไทยระบบ16มิลิเมตรเป็นสีธรรมชาตินะครับก็มีการพากย์เสียงลงไปก็มีคุณรุจิราคุณมารสีนี่แหละเป็นคนให้เสียงเพราะว่าสมัยก่อนนั้น หนังไทยยังไม่มีเสียงในฟิล์มนะครับต้องมีคนพากหนังและภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2555คุณผู้ฟังเกิดเรียงครับฉายที่สาราเฉลิมกรุงซึ่งเรื่องนี้กำกับโดยคุณสิริสิริจินดานะครับสำหรับนักแสดงก็มีคุณมิตรชัยบัญชาคุณเพชรชราชาวราแล้วก็มีคุณชดาพรวัชชิระปราณี เรื่องบันทึกลักพิมฉวีนี่ถือเป็นภาพะะยนตร์เรื่องแรกของคุณเพชรชราชวราชภาพะะยนตร์เรื่องบันทึกลักของพิมพชวีก่อนหน้านี้เคยเป็นละครวิทยุของกันตนานะครับจากบทประพันธ์ของคุณประดิษฐ์กันจารึกซึ่งต่อมาในปีพศ2524ก็มีการนํามาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ทางช่อง7เคยเป็นละครวิทยุของกันตนามาก่อนซึ่งเรื่องนี้จากการประพันธ์ของคุณประดิษฐ์กันจารึก ต่อมานในปีพศ2524ก็ถูกสร้างเป็นละครโทรทัศน์ทางช่อง7แล้วก็มีคุณอุทุมพรศิลาพันธ์คุณปรัชญาอัครพลได้แสดงนำในเรื่องนี้คุณผู้ฟังมาดูเรื่องย่ อ, อพิมพ์ชวีนะครับพิมพวีก็เป็นสาวน้อยบัร น, นาธที่ลงรักหนุ่มรูปงามอย่างหมดหัวใจก็คืออาธรชายหนุ่มที่ไฟเรียนมีความทะเยอเทยาน ในการที่จะปรับฐานะของตนเองนะครับอาทรเขามีความต้องการที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ว่าไม่มีทุนเรียนจึงหาหนทางที่จะไปเรียนต่อโดยรวบรับให้พิมพ์ชวีเนี่ยตกเป็นภรรยาของตนเองสาเหตุที่ทำอย่างนี้ก็คือเพื่อที่จะหลอกให้พิมพ์ชวีนั้นส่งเสียตัวเองได้ไปเรียนดังที่ตั้งใจ จนกระทั่งพิมพ์ฉวีเนี่ยตั้งท้องแล้วก็หาทางออกให้ตัวเองนะครับไม่ได้จึงนําความเนี่ยไปปรึกษากับอาธรจึงได้แนะนําให้ไปแต่งงานกับชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่แอบหลงรักพิมพ์ชวีนะครับพิมพ์ฉวีตกลงแต่งงานแล้วก็รอให้อาธรกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็จะได้เปิดเผยความจริงแต่ว่าเหตุการณ์กลับไม่เป็นเะ่นนั้นนะครับ อาธรเขาก็กลับมาพร้อมด้วยคู่มั่นชื่อเต็มดวงอาธรเนี่ยไม่ยอมรับในความเป็นพ่อที่เรียกว่าทําพิมพ์ฉวีท้องแล้วก็บายเบี่ยงต่อการไปพบกับพิมพ์ฉวีจนกระทั่งพิมฉวีเนี่ยเขาใช้เงินทั้งหมดเนี่ยส่งเสียอาธรจนสิ้นเนื้อประดาตัวหลังจากนั้นแล้วพิมฉวีเนี่ยก็ถูกยึดบ้านยึดทรัพย์สินต่างๆ สุดท้ายพิมพ์ชวีก็เลยตัดสินใจคิดจะฆ่าตัวตายแต่ว่าเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากเศรษฐีคนนึงที่มีใจเอื้อเฟือ้อภายหลังนะครับคู่มาร์ธาลรรู้ความจริงว่าอาธรไม่ได้รวยจริงจึงหันมาสนใจหนุ่มเศรษฐีแล้วก็มาวันหนึ่งในงานเลี้ยงหนุ่มเศรษฐีนะครับก็ได้ประกาศให้ทุกคนรับรู้ว่าตนนั้นได้ซื้อบ้านนะครับหลังใหญ่ให้กับพิมพ์ชวีทําให้ทุกคนตกใจและคาดไม่ถึง ครั้งนี้ทำให้อาทนสมนึกผิดแล้วก็อายมากแต่ก็ได้รับการให้อภัยจากพิมชวีจึงได้ครองรักกันตลอดไปสุดท้ายก็คือจบหลังย่างมีความสุขนะครับก็อาทนก็รอดตัวไปนะครับพิมชวีก็ตกละกลัมลำบากแต่สุดท้ายก็สมหวังในความรักนี่ก็เป็นหนังสือแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะครับบันทึกรักของพิมชวีก็เป็นทั้งละครเป็นทั้งภาพยนตร์เป็นทั้งละครวิทยุ น่าสนใจมากๆนะครับถ้ามีโอกาสนํากลับมาสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คงจะดีมากนะครับคุณฟังคุณกําลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 สิบเมกะ คุณผู้ฟังครับตอนนี้เวลาของรายการมรดกไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมรดกไทยมาจนก็เรียกว่าจะฉลองครบรอบ4ปีแล้วนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการนี้ก็จะอยู่คู่คุณผู้ฟังเพื่อสรรหาสาระเสียงเพลง แล้วก็สิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ฟังอย่างสม่าเสมอหากคุณผู้ฟังสนใจติดตามรับฟังรายการนี้ก็สามารถหมุนคลื่นมาได้ที่ FM 89.5 MHz ฟังสดนะครับหรือจะฟังผ่านออนไลน์ก็ได้หรือจะฟังย้อนหลังก็ได้ไม่ว่าจะฟังทางช่องทางไหนผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนผู้จัดจรายการก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้นะครับสาหรับวันนี้นะครับ ผมขอรัฒนาคุณพระศีรรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงโดนบดานให้คุณผู้ฟังที่รักของผมได้มีความสุขมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงเราจะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ FM 89.5 MHz มสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี ภาษารักกันรักคือเธอและฉันคือความเข้าใจ